สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทเรียนจากสุภาษิตในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระวจนะพระเจ้าสุภาษิตบทที่23ข้อ1ถึงข้อที่8โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเจ้านั่งรับประทานกับผู้ครอบครองจงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าจงบังคับตัวไว ถ้าเจ้าเป็นคนตะกะอย่าปรารถนาของโอชะของผู้ครอบครองนั้นเพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวงอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะได้เป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักเมื่อเจ้าเหลือบตามองรั์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี อย่ากินอาหารของคนตรนีอย่าปรารถนาของโอชะของเขาเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจเขาพูดกับเจ้าว่าจงกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าเจ้าจะสำรอกอาหารซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปนั้นและเสียถ้อยคําอ่อนหวานของเจ้าไปเปล่าๆพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหนึ่งในสามสิบถ้อยคานะครับ และเราก็ไปถึงถ้อยคำที่6แล้วครับถ้อยคาที่6นี้อยู่ในข้อที่1ึงถึงข้อที่3บอกว่าเมื่อเจ้านั่งลงรับประทานกับผู้ครอบครองบ้านเมืองเจ้าบ้านผ่านเมืองก็ต้องสังเกตให้ดีครับว่าอะไรอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นคนตะกะก็จงจอะมอีดไว้ที่คออย่าปรารถนาของโอชะของคนเหล่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นอาหารที่หลอกลวงพี่้องครับนี่คือถ้อยคาที่6 เมื่อใครก็ตามได้รับเชิญไปงานกินเลี้ยงโดยเจ้านายสำคัญคนคนนั้นควรจะรู้จักสงบเสงี่ยมเกียมตัวครับและรู้จักบังคับตัวเองจะต้องรู้กาลละเทสะครับเพราะว่าเขาถูกทดลองที่จะเป็นคนตกะกะเขาจะเห็นนิสัยของเราเวลาที่เรากินอาหารคนคนนั้นควรจะยับยั้งตัวเองครับถึงขนาดว่าต้องเอามีดจ่อคอหอ ย, ยนะครับอันนี้เป็นอารมณ์ขันของนักปราศ เอามีดจาะค อ, อหอยตัวเองเพอเลยครับในข้อที่2องบอกว่าถ้าเจ้าเป็นคนตกะกะเจ้าจงจาะมีดที่คอของเจ้าคือไม่ใช่ให้พยายามฆ่าตัวตายนะครับแต่นักปราศนะครับมีอารมณ์ขันของเขาเขาเน้นว่าจะต้องตัดความตะกะออกไปให้ได้เป็นนิทานสังเกตนะครับว่าความตะกะนะครับมาจากภาษาฮีบรูชื่อว่าเนฟเฟสมีความหมายหลากหลายครับซึ่งรวมถึงความหมายที่ว่าเนฟเฟสก็คือเนื้อหนังหรือร่างกายหรือตัวตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมไปถึงความอยากอาหารด้วยครับหรือความปรารถนาพี่น้องครับตรงเนี้ครับทําให้เรารู้ว่าการพาคนไปกินข้าวก็จะรู้จักนิสัยไม่ว่าจะสังเกตจากภาษาท่าทางความตะกะของคนกินหรือแม้กระทั่งการพูดของเขาพี่น้องครับคนจีนบอกว่าจะรู้นิสัยกันก็คือตอนกินข้าวกินอาหารพี่น้องครับอาหารการกินนั่นเป็นของโอชะหรูหรานะครับ ถ้าจัดในราชสำนักหรือจัดในงานเลี้ยงหรูๆครับก็เป็นสิ่งที่จริงๆก็คือว่าเหมือนกับหลอกลวงครับเพราะว่าเจ้าภาพนั้นอาจจะหลอกลวงสร้างภาพของตัวเองว่าเป็นคนที่มีใจกว้างขวางเลี้ยงดูด้วยอาหารหลักชนิดแต่ในใจของเขานั้นคิดแผนการอะไรครับพิดแผนการที่จะก่อการร้ายก็ได้นะครับหรือก่อการกรบฏก็ได้หรือทําการปราบปรามก็ได้หรือแม้กระทั่งหลอกใช้การก็ได้พี่น้องครับ การจัดงานเลี้ยงนะครับจริงๆก็คือว่าเป็นแค่ผักชีโรยหน้าสําหรับคนที่มีจิตใจไม่ตรงจิตใจโกโหกหลอกลวงผมไม่ได้บอกว่างานเลี้ยงทุกงานเลี้ยงนะครับเป็นของปลอมหรือของหลอกลวงแต่ผมกําลังบอกว่าพระกัมภีร์กล่าวว่าถ้าหากว่ามีใครก็ตามที่มีจิตใจที่ไม่เที่ยงไม่ตรงนะครับไม่เที่ยงตรงจิตใจที่ปรารถนาร้าย งานเลี้ยงเขานั้นก็จะเป็นผักชีลอยหน้าครับอันที่จริงเวลาเจ้าบ้านนำสิ่งที่อร่อยมาให้รับประทานหรือเจ้าภาพพาเราไปเลี้ยงในงานที่หรูหราก็ไม่อาจบ่งชี100้ร้อยเอร์เซนว่าเขานับถือแขกอย่างสูงส่งเจ้าบ้านอาจจะทําให้แขกประทับใจเจ้าบ้านอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ที่ดีเพื่อเหตุผลต่างๆที่อาจจะเป็นการเห็นแก่ตัวของเจ้าภาพก็ได้หรือเจ้าภาพอาจจะต้องการบางสิ่งบางอย่างจาก คนที่เขาพาไปเลี้ยงหรือประเมินผลเขาพี่น้องครับใครอยู่ข้างหน้าเจ้าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าก็คืออะไรครับการทดลองนะครับการทดลองที่จะดูดูอุปนิสัยใจคอนะครับดูอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ถูกเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวังนะครับใครที่มีจิตใจไม่ซื่อคดเคี้ยวเลี้ยวรด พาคุณไปเลี้ยงต้องระวังครับต่อไปเป็นถ้อยคำที่7ครับในข้อที่4ข้อที่5 พ, พระกัมพีได้กล่าวว่าอย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สลินคารจงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ของอนิจจังหรือเพราะทรัพย์สมบัติก็มีปีกแน่นอนทีเดียวมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีถ้อยคาที่7นี้นะครับ เตือนไม่ให้เราทำงานเกินกำลังหนักเกินไปเพื่อเพิ่มทรัพย์สินเงินทองบางคนนั้นทำโอทีมากครับจนกระทั่งครอบครัวเสียหายพี่น้องครับพระคมผีข้อนี้ไม่ได้ต่อต้านการทำงานหนักนะครับแต่ต่อต้านการทำร้ายตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองคนมีปัญญาจะหักห้ามใจจากสิ่งนี้ครับในทํามนองเดียวกัน กรณีที่คนตะกะจะต้องเอามีดจาะคอหอยเพื่อหักห้ามใจคําถ้อยคําที่6และข้อที่7นั้นมีการต่อเนื่องกันครับก็คือว่าต้องหักห้ามใจต้องควบคุมตัวเองพี่น้องครับการควบคุมตัวเองหรือเซฟคอนโทรนั้นเป็นผลของพ่อวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่9ก้าเซฟคอนโทรหรือการควบคุมตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากทําให้ชีวิตของเราสมดุลบางคนน้ําหนักเกินครับเพราะว่าเป็นโรคอ้วนนะครับ เขาไม่รู้จักควบคุมตัวเองในการกินเขาไม่รู้จักที่จะควบคุมจิตใจความอยากของตัวเองสิ่งต่างเหล่านี้ครับก็เป็นที่มาของเหตุผลคำสอนนี่ก็คือว่าเราจะต้องควบคุมตัวเองครับอย่าให้มั่งมีจ น, จนเกินไปอย่าเอาชีวิตไปแลกกับเงินทองซึ่งเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวอานิจจังครับพะมีเวลาหนึง่งมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกครับเหมือนนกอินทรีนะครับพี่น้องครับ ในข้อที่5นั้นถ้าแปลตามตัวอักษรนะครับเราจะรู้ว่าแปลได้อย่างนี้ครับว่าถ้าเจ้าทำให้ตาของเจ้าบินตามความมั่งคั่งไปนะครับก็คืออะไรครับความมั่งคั่งนั้นมันจะติดปีกบินบินหนีเราไปเหมือนนกอินทรีครับตาเรามองตามันไปแต่ตัวเองตามไปไม่ได้ครับเงินทองในที่สุดนั้นจะต้องหลุดออกไปนะครับต่อไปครับเป็นถ้อยคำที่8ครับ อยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่8เ mm. พื่อคำพีห้ามเราอยากกินอาหารของคนที่ตะเนธถี่เหนียวครับอย่าปรารถนาของโอชะของคนพวกนั้นเพราะว่าเขาจะนับครับและเขาจะพูดว่าจงกินและดื่มเถิดเขาหลอกเราให้กินครับแต่ใจของเขานั้นไม่ไดีอยู่กับเราเนี่ครับคือประเด็นที่ต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่ข้อที่1นึ่งข้อคำที่แนี้แนะนำไม่ให้เราละโมบอาหารอันโอชะของเจ้าบ้านผ่านเมืองที่ ดูเหมือนมีใจกว้างขวางแต่ใจร้ายครับตักเตือนการกินอาหารของการกินอาหารของคนที่ตนีทีเหนียวนะครับคนที่ตนีทีเหนียวนั้นในภาษาฮินดูตามแปลตามตัวอักษรนะครับก็คือคนที่มีในตาชั่วร้ายนะปรากฏที่นี่ครั้งเดียวครับตรงกันข้ามกับคําว่าใจกว้างขวางแปลตามตัวอักษรว่าในตาดีพิงครับการปรารถนาหาอาหารของคนขี้เหนียว ก้อนตรายรพอๆกับการปรารถนาหาอาหารของนักปลครองที่ใจกว้างขวาง เ, เพียงแค่เพราะอะไรครับเพราะว่าทั้ง2คนนะครับไม่ห่างกันไม่ต่างกันครับเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่น่าอันตรายใครก็ตามที่เชิญเราไปกินข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักปกครองเจ้านายของเรานะครับหรือใครก็ตามที่เชิญเราไปกินข้าวดูเหมือนว่าเขาเช่าจะเป็นคนใจกว้างขวางแต่แท้จริงเป็นคนขี้เหนียวครับ เป็นคนอัดรมเป็นคนขี้เหนียวนะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนใจกว้างขวางพวกนี้แหละครับต้องระวังนะฮะถ้าผู้ที่เชิญเราคิดถึงแต่ราคาของอาหารที่เอามาเลี้ยงแม้ว่าจะแซงทําให้ดูมีใจกว้างขวางปานใดก็ตามนะครับในที่สุดเนี่ยเราจะต้องสำรอกสำรอกอาหารซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปนั้นคําว่าสำรอกอาหารพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คืออ้วกออกมาครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า เขาพบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีความจริงใจนะและเราพบว่าเวลาที่เราถูกพาไปเลี้ยงอาหารเราก็ต้องชมเชยเขาให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องพูดยกย่องเขาเราจะต้องทดแทนบุญคุณที่เขาพาเราไปเลี้ยงแต่คนเหล่านั้นครับเขาไม่ได้คิดความจริงใจมีความจริงใจกับเราครับเราจะพบในที่สุดว่าคาชมเชยคายกย่องของเราที่มีต่อเขาอย่างจริงใจนั้นเสียเปล่าไปหมด พูดง่ายก็คือว่าเสียของครับและของที่เรากินเข้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับจะต้องคืนออกมาแน่นอนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจงระมัดระวังเวลาที่เราอยู่กับคนที่มีอำนาจเวลาที่เราอยู่กับคนที่ร่ํารวยเวลาที่เราอยู่กับคนที่ดูเหมือนว่ามีจิตใจกว้างขวางครับต้องระวังให้ดีขอพระเจ้าเสริมกําลังที่เราจะพบกับคนที่ดีคนที่ชอบทำคนที่ดูแลเรา ด้วยใจิตใจที่มีแต่ความจริงใจอเมน